สทุติยเทวสูตรว่าด้วยเทพสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเกษตีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าละถึงพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมานพชื่อมคคะเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้มามัคควาลภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานมาก่อนเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าปุรินทะภิกษุทั้งหลาย เท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ทานโดยเคารพเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสักกะภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าวาสวะภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพ ทรงคิดเนื้อความได้ตั้งพันโดยครู่เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสหาสไนภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงมีนางอสุรากัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสุชัมบดีภิกษุทั้งหลายเท้าสั ก, กะจอมเทพเสวยราชสมบัติ อันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นดาวดึงเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าเทวาณมินทะภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัตถบทเจประการอย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตถบทเจประการจึงได้เป็นเท้าสักกะวัตถบทเจประการอะไรบ้างคือ 1. เราพึงเลี้ยงมารดาและปิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงพูดคำส่อเสียตลอดชีวิต 5. เราพึงมีใจปราศจากความตรนีที่เป็นมนทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิ ยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดแต่คำสัตว์ตลอดชีวิต 7. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะกำจัดโดยฉับพลันทันทีภิกษุทั้งหลายเท้าจักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อน ได้สมาทานวัตบทเจ็ดประการนี้อย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบทเจ็ดประการจึงได้เป็นเท้าสักกะพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเทพชั้นดาวดึงกล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาและปิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คาอ่อนหวานสมานมิตรและคาสอเสียด ประกอบในอุบายคำจัดความตรณีมีวาจาสัตว์ครอบงำความโกรธได้นั้นแหลว่าเป็นสัตว์บุรุษทุติยะเทวสูตรที่สองจบสามตติยะเทวสูตร ว่าด้วยเทปสูตรที่สามเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปุถ า, าราสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลิชวีนามว่ามหาหลีเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงเห็นเท้าศักกะจอมเทพหรือพระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลีตถาคตเห็นเท้าสักกะจอมเทพเจ้ามหาลีเรียกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผู้ที่พระองค์ทรงเห็นนั้นคงเป็นรูปจำลองของเท้าศักกะเป็นแน่เพราะว่าเท้าสักกะจอมเทพ ยากที่ใครๆจะเห็นได้พระพุทธเจ้าค่ะมหาลีตาถาคตรู้จากเท้าสักกะด้วยรู้ธรรมที่ทำให้เป็นเท้าสักกะด้วยทั้งยังรู้ถึงธรรมที่เท้าสักกะสมาทานแล้วได้เป็นเท้าสักกะด้วยมหาลีเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนเป็นมานกชื่อมะคะเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้ามขวาน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 เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าววาสวะมหาลีท้าวส ก, กจอมเทพทรงคิดเนื้อความตั้งพันได้โดยครู่เดียวเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าท้าวสหเสนยมหาลีท้าวส ก, กจอมเทพทรงมีนางอสุรกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดี เพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าสุชัมบดีมหาลีเท้าสักกะจอมเทพสเสวย ร, ราชสมบัติอันมีความเป็นใหญ่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่แห่งเทพชั้นเดวดึงเพราะเหตุนั้นจึงได้พระนามว่าเท้าเทวานามินทะมหาลีเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อน ได้สมาทานวัตถบทเจ็ดประการนี้อย่างบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตถบทเจ็ดประการจึงได้เป็นเท้าสักกะวัตถบทเจ็ดประการอะไรบ้างคือ 1. เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต 4.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 ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะกําจัดโดยฉับพลันทันทีมหาลีเท้าสักกะจอมเทพเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมาทานวัตบทเจประการ น, นี้ครบบริบูรณ์เพราะสมาทานวัตบทเจประการจึงได้เป็นเท้าสักกะพระผู้มีพระภาคผู้สุขศสาสดาจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า เทพชั้นเดวดึงกล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงมารดาและบิดามีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเจรจาแต่คำอ่อนหวานสมานมิตรและคำส่อเสียดประกอบในอุบายกำจัดความตรณีมีวาจาสัตว์ครอบงำความโกรธได้นั้นแล ว, ว่าเป็นสัตบุรุษตติยะเทวสูตรที่สาจบ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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงราชครื่นี้เองได้มีบุรุษคนหนึ่งเป็นคนขัดสนเป็นคนกัมพระเป็นคนยากไร้แต่เขายึดมั่นศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาในธรรมวินัยที่เราประกาศแล้วหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ คือความเป็นสหายของเทพชั้นเดวดึงเทพบุตรองนั้นรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศได้ยินว่าในการครั้งนั้นพวกเทพชั้นเดวดึงพากันกล่าวโทษติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเทพบุตรองนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อนเป็นคนขัดสนเป็นคนกัพร้าเป็นคนยากไร้ หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นเดวดึงย่อมรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเท้าสักกจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นเดวดึงว่าท่านผู้นิรทุกท่านทั้งหลายอย่ากล่าวโทษต่อเทพบุตรนี้เลยเทพบุตรนี้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ในการก่อน ยึดมั่นศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาในธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วหลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงย่อมรุ่งเรืองกว่าเทพเหล่าอื่นด้วยรัศมีและยศภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพเมื่อทรงยินดีกับพวกเทพชั้นดาวดึง จึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวันไหวมีศีลงามเป็นศีลที่พระอริยะชอบใจและสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขาดสนชีวิตของเขาก็ไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญา เมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรหมั่นประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมทลิตาสูตรที่4จบ 5. รามาเนยกะสูตร ว่าด้วยสถานที่น่ารื่นรมเข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคกรุงสาวถีครั้งนั้นเท้าศักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า สถานที่เช่นไรายหนอเป็นสถานที่น่ารื่นรมพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยพระคถ า, าว่าอารามอันวิจิตป่าอันวิจิตสะบกขรณีที่สร้างอย่างดียังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสิบกแห่งภูมิสถานอันน่ารื่นรมของมนุษย์พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านหรือเป็นป่าเป็นที่ลุ่มหรือเป็นที่ดอนก็ตามที่นั้น เป็นภูมิสถานที่น่ารื่นรมรามะเนยกะสูตรที่ห้าจบ 6. ยชะมานสูตรว่าด้วยการบูชาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิตคูดเขตกรุงราชครึกครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทำบุญซึ่งให้เกิดผล ทานที่ให้แล้วในที่ไหนมีผลมากพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านผู้ปฏิบัติดีสี่จำพวกท่านผู้ตั้งอยู่ในผลสีจำพวกนั่นคือพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรงตั้งมั่นอยู่ในศีลสมาธิและปัญญาเมื่อมนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ปรารถนาบุญบูชาอยู่ทําบุญซึ่งให้เกิดผล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 พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกาเศรษฐีเขขรุงสาวถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นประทับ พ, พักผ่อนอยู่ในที่พักกลางวันขณะนั้นเท้าสักกะจอมเทพและเท้าสหัมบดีพรมเสด็จเข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับได้ประทับยืนพิงบานประตูคนละข้างลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพ ได้ตรัสคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้กแลกล้าผู้ชนะสงครามแล้วทรงปรงภาระลงแล้วผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจ้ารึกไปในโลกอันหนึ่งดวงพระไทยของพระองค์หลุดพ้นดีแล้วเหมือนดวงจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นท้าวสหบดีพรมตรัสค้านว่าจอมเทพ พระองค์ไม่ควรถวายบังคมพระตถาคตอย่างนี้เลยแต่ควรจะถวายบังคมพระตถาคตอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาิกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีประภาคขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกเถิดเพราะจัะมีผู้รู้ธรรม วันธนะสูตรที่เจ็จบ 8. ปดปฐมมสักกะนมสนะสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของเท้าสักกะสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณนะที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพตรัสกับมาตลีสังคาหากะเทพบุตรว่าสายมาตลีท่านจงจัดเตรียมรถซึ่งเทียมได้มาอาชาในพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามมาตลีสังคาหากะเทพประบุทูลรับพระดำรัสแล้ว จัดเตรียมรถซึ่งเทียมได้ม้มาอาชาในพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแก่ท้าวสักกะจอมเทพว่าค้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถซึ่งเทียมด้วยมาอาชาในพันตัวสำหรับพระองค์จัดเตรียมไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันโคนในบัดนี้เถิดครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันประสาส ทรงประนมมือนอบน้อมทิศใหญ่ทั้งสี่ด้วยดีครั้งนั้นมาตลีสังขาหากะเท พ, พบุตรได้กราบทูลเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าพรามทั้งหลายผู้จบไตรเพกศกษัตริย์ทั้งหลายณภูมิภาคทั้งหมดเท้ามหาราชทั้งสี่และทวยเทพผู้มียศชั้นไตรทศย่อมนอบน้อมพระองค์ข้าแต่เท้าสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้น พระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นคือใครเล่าท้าวสักกะตรัสว่าพรามทั้งหลายผู้จบไตรเพศกระสัตทั้งหลายณนะภูมิภาคทั้งหมดท้ามหาราชทั้งสี่และทวยเทพผู้มียศชั้นชาวไตรทศย่อมนอบน้อมท่านผู้ใดซึ่งเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนาน ผู้บวชแล้วโดยชอบมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าครหัตเหล่าใดเป็นผู้ทําบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูพัญญาโดยธรรมมาตลีเรานอบน้อมครหัตและนักบวชเหล่านั้นมาตลีสังคาหากะเทพบุตรกราบททลว่าข้าแต่เท้าสักกะได้ยินว่าพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ข้าแต่เท้าวาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันเท้ามาขาวาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุข ค, ครันตรัส ด, ดังนี้แล้วทรงนอบน้อมทิศ ท, ทั้งสี่เสด็จขึ้นราชรถกลับไปพัปมมัสั ก, กะนัมสนะสูตรที่8จบ 9. ทุติยะสักกะนมัสณะสูตรว่าด้วยการนอบน้อมของเท้าสักกะสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าสักกะจอมเทพรับสั่งกับมาตลีสังฆหกะเทพบุตรว่าสหายมาตาลีท่านจงจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัว เราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงามมาตลีสังฆหกะเทพบระบุทูลรับพระดำรัสแล้วจัดเตรียมรถม้าซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาไนพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแก่เท้าสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรุขุรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาไนพันตัวสำหรับพระองค์จัดเตรียมไว้เสร็จแล้ว ขอพระองค์ทรงทราบการอันโคนในบัดนี้เถิดได้ทราบว่าครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพขณะเสด็จลงจากเวชยันปราศาสตทรงประนมมือนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอยู่ครั้งนั้นมาตลีสังกหกะเทพพระบุได้ทูลถามเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่าข้าแต่เท้าวาสวะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระองค์เท่านั้น ข้าแต่เท้าสักกะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทรงนอบน้อมท่านผู้ควรบูชาคนใดท่านผู้ควรบูชาคนนั้นคือใครเล่าเท้าสักกะกระตอบว่ามาตลีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกเรานอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นศาสดาผู้มีพระนามไม่ต่ําต้อยมาตลี บุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วบุคคลเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมาตลีบุคคลเหล่าใดกำจัดราคะโทสะก้าวล่วงอวิชชาได้แต่ยังเป็นพระเสขะอยู่ยินดีในธรรมอันเป็นเครื่องปราศจากการสั่งสมเป็นผู้ไม่ประมาทตามศึกษาอยู่เรานอบน้อมบุคคลเหล่านั้น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 สรงนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเสด็จขึ้นราชรถกลับไปทุติยะสักกนมัสณะสูตรที่9้าจบ 10. ตติยะสักกนมัสณะสูตรว่าด้วย การนอบน้อมของเท้าศักกะสูตรที่สเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าศักกะจอมเทพได้ตรัสกับมาตลีสังหาหะเเทพบุตรว่าสหายมาตลีท่านจงจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเราจะไปยังพื้นที่อุทยานเพื่อชมภูมิภาคอันงดงาม มาตลีสังฆหกะเท พ, พบุตรทูลรับพระดํารัสแล้วจัดเตรียมรถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวเสร็จแล้วกราบทูลแก่เท้าสักกะจอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์รถซึ่งเทียมด้วยม้าอาชาในพันตัวสําหรับพระองค์จัดเตรียมไว้เสร็จแล้วขอพระองค์ทรงทราบการอันโควรในบัตรนี้เถิดได้ทราบว่าครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพ ขณะเสด็จลงจากเวทยันประสาสทรงประนมมือนอบน้อมภิกษุสงฆ์อยู่ครั้งนั้นมาตาลีสังคาหากะเทพบุตรได้ทูลถามเท้าสักกะจอมเทพด้วยคาถาว่า น, นรชนผู้นอนทับกายอันเปื่อยเน่าเหล่านี้นอบน้อมพระองค์เท่านั้นพวกเขาจมอยู่ในซากศพเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายข้าแต่เท้าวาสวะเพราะเหตุไรหนอ พระองค์จึงทรงโปรดปรานท่านผู้ไม่มีเรือนเหล่านั้นขอพระองค์ตรัสบอกมารยาทของเรศีทั้งหลายข้าพระองค์ขอฟังพระดํารัสของพระองค์พระเจ้าค่าเท้าสักกะกร่าวตอบว่ามาตาลีเราโปรดปรานมารยาทของท่านผู้รู้ที่ไม่มีเรือนเหล่านั้นเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยในบ้านที่ท่านจากไป บุคคลผู้จะเก็บข้าเปลือกของท่านเหล่านั้นไว้ในช้างก็ไม่มีจะเก็บไว้ในหม้อก็ไม่มีจะเก็บไว้ในกระเช้าก็ไม่มีท่านเหล่านั้นมีวัดงามแสวงหาอาหารที่ผู้อื่นทําเสร็จแล้วเยียวยาอัตภาพด้วยอาหารนั้นท่านเหล่านั้นเป็นนักปราดกล่าวคําสุภาษิตเป็นผู้สงบประพฤติสม่าเสมอมาตลีพวกเทวดายังโกรธกับอสูร และศาสเป็นอันมากยังโกรธซึ่งกันและกันเมื่อเขายังโกรธกันแต่ท่านเหล่านั้นไม่โกรธดับความโกรธเสียได้ในบุคคลผู้มีอาชญาในตนเมื่อชนทั้งหลายยังมีความถือมั่นท่านเหล่านั้นไม่ถือมั่นมาตลีเราจึงนอบน้อมท่านเหล่านั้นมาตลีสังคาหากะเทพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่เท้าสักกะได้ยินว่า พระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกข้าแต่ท้าววาสวะพระองค์ทรงนอบน้อมบุคคลเหล่าใดแม้ข้าพระองค์ก็ขอ น, นอบน้อมบุคคลเหล่านั้นเหมือนกันท้ามัควาสุชัมบดีเทวราชผู้เป็นประมุข ค, ครันตรัส ด, ดังนี้แล้วทรงนอบน้อมภิกษุสงฆ์เสด็จขึ้นราชรถกลับไป ตติยะสักกะนมัสณะสูตรที่10จบวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีนิวักนี้คือ 1. ปฐมเทวสูตร 2. ทุติยะเทวสูตร สตติยะเทวสูตร 4. ทลิทธสูตร 5. รามะเนยกะสูตร 6. ยะชะมานะสูตร 7. จ็วัฒ น, นาสูตร 8. ปดฐมมสักกนิมสนสูตร 9. ทุติยสักกนิมสนสูตร 10. ตติยะศักกนิมสนสูตร ตาติยวัคหมวดที่ส 1. คตวาสูตรว่าด้วยการฆ่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเคกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควร ท้าวสกะจอมเทพเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าบุคคลฆ่าอะไรได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าอะไรได้จึงไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคดมพระองค์ทรงพอพระไทัยการฆ่าทำอย่างหนึ่งคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกท้าววาสวะ พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้วจึงไม่เศร้าโศกคาตวาสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุพนณิยะสูตร ว่าด้วยยักษ์ผู้มีผิวพันธุ์ไม่งามเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วยักษ์ตนหนึ่งมีผิวพันธุ์ไม่งามต่ํำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของเท้าสักกะจอมเทพได้ยินว่าณที่นั้นพวกเทพชั้นดาวดึงพากันกล่าวโทษตําหนิติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏยักษ์ตนนี้มีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพพวกเทพชั้นดาวดึงกล่าวโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับเป็นผู้มีรูปงามทั้งหน้าดูหน้าชมและหน้าลืมใส ย, ยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น พวกเทพชั้นเดวดึงพากันเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะจอมเทพถึงที่ประทับได้กราบทูลเท้าสักกะจอมเทพดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอประทานวโรกาสแยกตนหนึ่งมีผิวพรรณไม่งามต่ําเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของพระองค์ได้ยินว่าณนะที่นั้นพวกเทพชั้นเดวดึงพากันกล่าวโทษตำหนิติเตียนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย น่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏยักษ์ตนนี้มีผิวพรรณไม่งามต่ำเตี้ยนั่งอยู่บนที่ประทับของท้าวสักกะจอมเทพข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกพวกเทพชั้นเดวดึงกล่าวโทษตำหนิติเตียนด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับเป็นผู้มีรูปงามทั้งหน้าชมและหน้าเลื่อมใส ย, ยิ่งกว่าเดิมด้วยประการนั้นๆข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์ยักษ์ตนนั้น คงเป็นผู้มีความโกรธเป็นอาหารเป็นแน่ทีเดียวพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเสด็จเข้าไปหายักษ์ผู้มีความโกรธเป็นอาหารนั้นจนถึงที่อยู่แล้วประนมมือไปทางที่ยักษ์ตนนั้นอยู่ประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านผู้นิรทุกข์เราคือเท้าสักกะจอมเทพท่านผู้นิรทุกเราคือเท้าสักกะจอมเทพ ภิกษุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพทรงประกาศพระนามด้วยประการใดๆยักษ์ตนนั้นกลับมีผิวพรรณไม่งามและต่าเตี้ยยิ่งกว่าเดิมยักษ์ตนนั้นเป็นผู้มีผิวพรรณไม่งามและต่าเตี้ยยิ่งกว่าเดิมแล้วได้หายตัวไปณที่นั้นเองครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพประทับนั่งบนที่ประทับของพระองค์แล้วเมื่อจะทรงทาให้พวกเทพชั้นดาวดึงยินดี จึงตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าเราเป็นผู้มีจิตไม่ถูกโทสะกระทบกระทั่งเป็นผู้ที่ใครๆจะชักนำไปไม่ได้ง่ายเราไม่โกรธใครมานานแล้วความโกรธไม่ฝังอยู่ในใจเราถึงเราโกรธก็ไม่กล่าวคำหยาบและคำไม่ชอบเป็นอันขาดเราเห็นประโยชน์ตนจึงบังคับตนได้ทุพภานิยสูตรที่สองจบ สามสมริมายาสูตรว่าด้วยมายาของจอมอสูนเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาววัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าวเวปจิตติจอมอสูนเจ็บไข้ได้รับทุกข์เจ็บไข้หนักครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพเสด็จไปเยี่ยมเท้าวเวปจิตติจอมอสูนถึงที่อยู่ตรัสถามถึงความเจ็บไข้เท้าวเวปจิตติจอมอสูน เห็นท้าสักกะจอมเทพกําลังเสด็จมาแต่ไกลเทียวเรียกล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพว่าท่านจอมเทพขอจงช่วยรักษาข้าพเจ้าด้วยเถิดเท้าสักกะตรัสว่ า, ท, าท่านเท้าเวปจิตติขอเชิญบอกมายาของจอมอสูรให้ข้าพเจ้าทราบก่อนเท้าเวปจิตติกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกตุข้าพเจ้ายังบอกท่านไม่ได้จนกว่าจะได้สอบถามผู้อสูรดูก่อน ลำดับนั้นท้าเวปจิตติจอมอสูรสอบถามพวกอสูรว่าท่านผู้นิรัทุกข์ทั้งหลายเราจะบอกมายาของจอมอสูรให้ท้าสักกะจอมเทพทราบ พ, พวกอสูรทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรัทุกข์พระองค์อย่าตรัสบอกมายาของจอมอสูรแก่ท้าสักกะจอมเทพเลยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นท้าเวปจิติจอมอสูร เดือกล่าวกับท้าวสกกะจอมเทพด้วยขคาถาว่าท่านท้ามขวาสุชัมบดีเทวราชบุคคลผู้มีมายาย่อมเข้าถึงนรกครบร้อยปีเหมือนจอมอสูรฉะนั้นสัมภริมายาสูตรที่สจบ สอาจย่สูตรว่าด้วยโทษสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตาวันอารามของอนาถบิณิกเกษตีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุสองรูปได้โต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้พูดล่วงเกินครั้งนั้นภิกษุผู้พูดล่วงเกินนั้นขอโทษในที่อยู่ของภิกษุนั้น แต่ภิกษุนั้นไม่ยกโทษให้ลำดับนั้นภิกษุจํานวนมากพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสภิกษุสองรูปโต้เถียงกันในการโต้เถียงกันนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้พูดร่วงเกินลำดับนั้น ภิกษุผู้พูดล่วงเกินขอโทษในที่อยู่ของภิกษุนั้นแต่ภิกษุนั้นไม่ยกโทษให้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนพานสองจำพวกนี้คือหนึ่งผู้ไม่เห็นโทษว่าเป็นโทษสองผู้ไม่ยกโทษให้ตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นขอโทษคนพานสองจำพวกนี้แหล ภิกษุทั้งหลายบัณฑิตสองจำพวกนี้คือหนึ่งผู้เห็นโทษว่าเป็นโทษสองผู้ยกโทษให้ตามสมควรแก่ธรรมเมื่อผู้อื่นขอโทษบัณฑิตสองจำพวกนี้แหลภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพเมื่อจะทรงยังเทพชั้นเดวดึงให้พลอยยินดีณนะเทวสภาชื่อสุธรรมมา จึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าขอความโกรธจงตกอยู่ในอำนาจของท่านทั้งหลายขอความสื่มคลายในมิตรธรรมอย่าได้มีแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่าได้ติเตียนผู้ที่ไม่ควรติเตียนและอย่าได้พูดคำส่อเสียดเลยความโกรธเป็นดุดภูเขาย่ำยีคนเลวชนนี้แลอาจยยะสูตรที่สี่จบ อาโกทสูตรว่าด้วยความไม่โกรธเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระตํารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพเมื่อจะทรงทําให้เทพชั้นดาวดึงยินดีณนะเทวสภาชื่อสุธรรมมาจึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่าความโกรธอย่าได้ครอบงำท่านทั้งหลายและท่านทั้งหลายอย่าได้โกรธตอบต่อบุคคลผู้โกรธความไม่โกรธและความไม่เบียดเบียน ย่อมมีในท่านผู้ประเสริฐทุกเมื่อความกโกรธเป็นดูดภูเขาย่ามยีคนเลวชนนี้แหละอกโกทสูที่ห้าจบวักที่สามจบ รวมพระสูตรที่มีในวรรมนี้คือ 1. คัตวาสูตร 2. ทุพนิยสูตร 3. สัมพริมายาสูตร 4. อาชยะสูตร 5. อโกทสูตรพระสูตรว่าด้วยเท้าสักกะห้าสูตรนี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้แล้วสักกะสังยุตจบปริบูณ์ สคขาทวักที่1จบรวมสังยุตที่มีในสคขาทวักนี้คือ 1. เทวตาสังยุตส์ 2. เทวปุตตะสังยุตส์ 3. โกศละสังยุต สี่มารสังยุตห้าพิคุณีสังยุตหกพรหมสังยุตเจพรามณสังยุตแปดวังคีสสะสังยุตเก้าวณสังยุตสิบยะคะสังยุตสิบเอ็ดสักกสังยุตสคาขะทวคสังยุตจบบริบูรณ